ยาอะไรกลับไปฟังฟังที่ยงถ้าอนจะกลับถ้าจะเรื่องอะไรดมกมาไวทุ่มลทุ่มทุ่มนเะเลยือาทุ่มล ชงใส่กันแไักลม้ผิดพลาได้ใช่มับใกได้ได้ท่านได้นเช้าท่านเปลี่นได้คะไม่ใช่เงให้พระจำบาวว่าฮะหงปู่ของเบาอาองบาของเบาคือลมตัว ความหักๆมกันไปรู้พาะได้บ้าหรอต้องพูดเย่าจะมาัดทำบุญคังใหมายพร น, น, นี่จากั้นคนมาชับดูนี่นหลงพอความหมาพระเสินผิดทำยังไงกันเลย ไม่เป็นไรเราก็สร้งให้อะไรจะไม่ซร้งไหนความรับมันมีในโลก <c oughs> เอาหัวหามัวสาไม่พักจับต้อโมยมต้องใช้พัดจิตสินจิธรมคุใส่้าชนี้ไปสมัครในพันนเรืองโลกนผมว่าเป็นเงินหรือว่นอิมสักหน่อยนะครับ <c oughs> อินกนไอินกน้น่อินเลยไม่ตงอกน่าไปกรจเลยนักินบ้างเออกินนัอินข้าวอจ้ะอินอินข้าวอีกหลอที่แล้วมันลบไปแล้ววอาดี่นไเเต็มเลยดทไมอืมอือนน้ายเล้กทตย่เา ให้เอาเข้าอย่างเดียวอือเอาไปทีละทีนจะเออกสาธุในเมตตาหลวงพ่อครับทุกผูประทับเาก็ไม่เอา บอาแล้วก็ ไ, อไปออกเบอกอาหารกายไม่เห็นได้บอกอาหารใจได้บอกบอกแล้วบอกอีกมาเท่าไหรก็บอกอยากไหมอาหารกายอาหารใจอาหารใ จ, าารใจมันคือมีลมแ้่ไม่มีลมใจจะอยู่ไหมล่ะไปแล้วอาหารกายเราไม่เห็นพิงเลยวันหนึ่งสองคันสามันบอก ไม่พอเลี่ยงไหวเท่าไหร่มีเท่ายี่แจกมาเท่าไหร่ยิ่งเท่ายี่แจกเองพูด่าได้รัปดาีได้สินิี่ได้อะไรมันหมดไปอ <c oughs> ายุหมดไปหมดไปปัตแบบนี้เราทำอะไรอยู่ <c oughs> ไปดูแต่ร่างกาย <c oughs> จะแกแต่ร่างกายพลาหาเวิร์กบัญชขันทาขันห้าพละาอันนัก ใจเบาทำให้ใจไม่มีขอมออกไปได้ถ้าใจมีมันมีไปไม่ได้ํำ ข, ของพระเจ้ามีคำเดียวหาความมีออกจากใจแต่คนลหานคลาชยัามีอันอยากร่ำรวยพระเจยวกบเอากระเป๋ามาให้โชแหละไม่ <c ười> มีอะไรเลกระเป๋าเขาไปเลียดเขาไปยุ่งเขาไป มีตัวมีตัวยังจุ้มมีสิ่งมีของมีมุ่งมีนี่อะไรก็มีมีมีไปไม่ได้ให้หาความมีออกจากใจหาที่ไหนอะความมีอยู่ที่ใจอยู่ที่ลมถ้าเห็นลมก็ไม่มีอะไรละมันอะของเบาต้องปูทวีปของเบา ถ้าของหนักบุญพระลำบากไปไปมามาพระเกิดทีเลด ท, ทำทาทานทำเป็นได้บุญทำไม่เป็นได้บาปทาพูดไปวัดทำบุญขนว้พระลำบากก็ว่าทำบุญเป็นไม่มเช่าพระเป็นแสนแสนลูกฉันไม่หมดคนเราชอบงนั้นนะถ้าเรื่องงุ่งๆุ่ชอบทำ ไม่คอไม่คออยากให้คอลงไปไม่คอนลงไปเรื่องทํารมิพุชาอยากให้เน้นหนักภาคปฏิบัติบูชาปฏิปฏิปฏิบูชาเข้าใจไหมปฏิบัติบูชาไม่ได้ซื้ออาหัรใจไม่ได้ซื้อของแต่งใจไม่ได้ซื้อเรื่องทักปอกติดใจไม่ได้ซื้อแต่ไม่ชักใจก็เลยสกปกเอื้อกอุ้ยลักงโลก ตัวผมใหญ่นะ <c oughs> นั่นในหมอต้องลบหม้อใจ ล, ลักโลกหาให้มันเจอหาความลักมันอยู่ที่ไหนหาความโลกมันอยู่ที่ไหนเห็นไหมล่ะมันที่มันกั้นมากคนไม่ผานกับลักกับโลก <c oughs> โลกไปโลกมาตดตามจากพระสืบขอนไปถวายพระดิเด ไม่รู้ที่ไปที่มาไม่เห็นที่ไปที่มาติดามจากพระจับไม่ได้ก็มีเ <c oughs> พราะพระบอกโยมเอาของไปตวายพระไม่บอกโยมทําบุญพระพเจ้าสอนให้ทําตามพระพเจ้าให้ดูให้รู้ให้เห็นแล้วฝึกตนได้แล้วจึงฝึดผู้อื่นสอนตนให้ดูให้รู้ให้เห็นแล้วจึงสอนผู้อื่นให้ทําตาม <c oughs> ทีนี่เมื่อเวลาไม่บอกโยงทําบุญโยงกับหลงทางเพราะฉะนั้นทุกเจ้าจึงให้เชื่อหนังสือตํำราให้เชื่อคออรูบาอาจารย์หลวงตาพูดหลงปู่พูดก็ดไม่ได้พูดเรืเชื่อนะพูดสู้ฟังเอาทคำคําสัสอนของพระพุทธเจ้านะมาพูดสู้ฟังทำตามคําสั่งสอนของพระเจ้าไปเห็นไปรู้แล้วก็มาพูดสู้ฟัง มักฝนเป็นยังไงมักฝนอยู่ที่ไหนพักฝนอยู่ที่จมูกเป็นยังไงรู้เองพูดรู้รู้เองเห็นเองบอกเล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนบอกทานอาหารบอกเท่าไหร่ไม่ทานแต่รู้ว่าอิ่มมันเป็นยังไงล่ะอาหารอร่อยเป็นยังไงอ่ะยิ่งอาหารใจยิ่งอร่อยอาหาร่างกายมันก็แค่นั่นแหะเ <c ười> คยลุกเคยคอลงไปเราเลย <c ười> คอลงไปเราไม่รู้อร่อยเป็นยังไงหรอ หายุ่งหาปุ้งหาแตกอย่างนั้นอย่างนีเพื่ออร่อยอร่อยวะโอ้ยตัวอร่อยก็บตัวเลสมันไม่รู้หน้าตากิเลสเป็นยังไงนะเวลาเรามีรูปบุญไม่รู้บาปลัวแหวนของพุเจ้าให้ละบาปบำเท็บุญนะเห็นไหมผมมีแต่มีแต่ทำบามีแต่ทำบาป ไม่บำเพลญบุญไม่ทำคบุญผลสุดท้ายก็มีแต่บาปเต็มหัวใจอยู่เตมวัดเต็มบาทเก็มบาปมาไปมากลับทำงานมานั่งดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกแต่สมควรใจแล้วกลบทงานพล้วก็กบาดเท่าไหร่อันนั่หลของในจะนาออกของนอกจะนาเข้าเข้าใจไหม เรื่องทางโลกจะลองฟ้องมาวัดวัดมันไม่ใช่บ้านนะถ้าเข้าใจเรื่องความหมายก็ฟ้อเก snaps, ินตัวได้แล้วราคาเท่าไรเท่าไร่คิดดูนะมาสร้างมาทํากันนะคำสอนของพระเจ้าสอนให้มีวัดกายได้ขาดได้ว่าวัดวาจาได้กล่าวคำมีนาปูชาวัดใจก็สงบใจให้นิ่งให้สงบเรื่องโลกเอาทิ้มไว้นอกวัดทิ้มไว้บ้าน น, นี่ใีไทบ้านวัดวัดกายที่ในกรอบของศีลธรรมมีจักไม่ <c oughs> ศีลธรรมจริ ง, รงสีลของายกโยมศตลํำที่สุด น, น้อยทีกืบศห้าถ้าสูงขึ้นมีตกศีลแปดมีอะไรข้มห้ามศีลห้าแต่นำ <c oughs> เข้าไปภายในวัดศีลห้มีอยู่ทางบ้าน <c oughs> อาณาไม่ฆ่าเขาอตินาไม่สมมติอมของเขาคามในในประพฤติฐานมีภรรยาลูกของเขามูสามไม่โกหกโพลอมสุลาไม่ดืม่มเครื่องดองของมึนเมาไม่มีสุลาของของเมามากกว่าสุลาก็มียาบา้าแต่ในพระวินัยก็บอกว่าจะเพาะดุลาเฉยเครื่องรองของมึนเมาเป็นอันเดียวกันหมดนั่นทีนี่เข้ามาในวัดไม่ให้มี ไอ้ไเรื่องนนามก็มาเรื่องรคๆแกนำเข้ามาไปในวัดมันจุ่มเอามาพูดเอามาทำอะไรก็ประมาณไปได้เอามาสวดเลกันกอมาสวเรกไปได้รู้จักไหมัวดเรกนะพูดเรื่องโรคๆมันวุ่นวายถ้าเข้ามาวัดก็พูดแต่เรื่องศีลธรรมนั่นแหะช่วยกันสวยแผ่ พระพุทธศาสนาด้วยพระสงเผยแก่พระพุทธศาสนาพุทธธรรมปิฎสีพิชุสมมกสมาเนนในกรณ์พิชุภิชุณีอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าหมดไปแล้วหมดผู้ที่จะบวชในพิชุนีแต่ผู้ที่อยากเก บ, บวชก็มีเยอะ ประเทศไทยก็ยังไม่มีใครบวชประเทศไทยตคนนี้ไปบวชประเทศอื่นก็ยังมีเยอะแยะอย<ม>ู่นะเพราะไม่ฟังคำของพระพุทธเจาเลยเอาแต่กิเลสบวชใจก็ได้หมดเว้นจากการปฏิบัติสันะัะสังสักกอบจิตใจให้ใสสะอาดก็ใช่ได้แล้วควบจิตใจทําไงล่ะหากวามไม่เอาใจอยู่ไหว้เล็กน้อยแค่นั้น ไปถือเอาผ้าเองินเอาเนี้เอารถเอาเนี้อทำเหมือนผ้าว่าไปดวงใจของพุณเจ้าเอามาโน้มว่าห่อทำไมเอาใจควรักจิตใจมันมันมีความยึดถืออยู่ในแขนจะได้จิตใจนั้นปัญหาธรรมไปปรุงแต่งหาอยากเป็นพิัวนีอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้นพุทธกัณมีแล้วก็ให้ทรงไห้ให้รักษาเอาไว้ว่าไปอย่างนั้น ผู้ที่จะบวชเป็นทุกตุนี้ได้มาจากอุปชาสองทา ง, าทางทนะ อ, อุปชาทางพิกตุนี้มีไหมหลักที่ไหนอุปชาทางพระสงฆ์ก็พระเบญจพุทสงฆ์ก็จะประกอทุกข์สมณ์อุบาตุก็คือผู้ชายอุบาจิกาคือผู้หญิงช่วยกัน ร, รักษาพระพุทธศาสนาไม่ใช่ช่วยกันทําลายนะช่วยกัน ร, รักษาของพุทธศาสนาที่นี่คำว่ารักษาพระพุทธศาสนารักษาอย่างไงเป็น จะทำผิดก็ว่ารักษาเถอรู้จักผิดไหมนี่ไม่มีรบรรดา ก, ก็ไม่รู้ผิดทำแต่ิงที่ถูกใจไม่ถูกต้องหนึ่งถูกใจของถูกต้องนี่คนส่วนมากเอาแต่จจิงที่ถูกใจไม่ถูกต้องอ <c oughs> ารวัดวาถูกต้องก็คือนั่นยงที่พูดนั่นต้องเอาดอกไม้มาบูชาให้เ ก, กตสิี่มันติด ตรงนี้มันไปไม่ได้แล้มาก้ามมันไปถูกแต่เราไม่โอ้ไม่ได้เอกไม่เป็นวิชา ก, กบบาว่าไงนะ่ะมันเข้าตำนองเที่ยวทั้ ง, ว, งวั ว, วทั้งไก่ทัสิควันแล้วนอกจากว่าไม่จะทราบความท้าแต่ไมถูกเที่ยวสิ่งของตามหลักว่ามันเสียเวลาอีกคนหนึ่งมาถึงวัดแพ่ยเดียวอีกคนหนึ่งไปหาสิ่งหาของอย่างนั้นผู้เจ้าสอนให้เกียงง่าย แต่เราทอบยุ่งความฟังความนี่คนเราทอบยุ่งฟัดชัดๆนะถ้าเลื่องไม่ยุ่งไม่ทําถ้าไปตาไปเจอะอะไรก็ไม่กลัวพระจะไม่ยกจอกว้ปั้นมั่มงทำ ไ, ไม่ได้ของมาสบายพระยายายายาอะไรสู้ยาพระอุตส่าไม่ได้หรอแทบเดียวกูก เจ็บอีกเจ็บอีกหายแล้วก็ตายอีกถ้ายังไม่ตายก็ไม่เจ็บอยู่น <a breathe> ั ez, ่นหายแล้วก็ยังตายตายแล้วก็จะมาเกิดอีกถ้าจะทังโลกนะหมอที่เท่าไหรหายแล้วก็ตัดยังตายอยู่ก็มาเกิดอีกแกอีกเจ็บอีกตายอีกแกอีกเจ็บอีกตายอีกลูกกี่พวกรกี่ลับกี่นแต่มันไม่สม่ำเสมอนันไม่ใช่เป็นคนเหมือนเดิมนะ เปียนแปงไปตามเหตุการณ์ที่เราอยู่ทุกวันนี้มาด้วยบุญอยู่ได้บุญไหมมาด้วบุญอยู่ได้บุญกลับบ้านกลับได้บุญมาได้บุ ญ, บญบบอยูไ่ได้บาตรรู้บาตรไหมจิงคืออะไรเอาความไม่สบายพระ ก, ก็ว่าทําบุญ น, นะเห็นไหมละ่ะเขไม่เข้าใจเรื่องบุญบุญก็คือของเบาไปเบาเบาว่าพระแต่ไม่ยอมจะกวาดปัน แเอาขไปถวายเยะๆให้พระยกจอป่อปั้นอยงนั้นยกจอป่อปั้นติดธินินทาเป็นเสน่ใจแห่งมรรคผลนิพพานนั่นเลยยึดติดอยู่ยๆๆตรงนี้แหละไปเบาผมเบาเบาคืออะไรสมุลมดิเจ <c oughs> ้าองมาดูล ม, มอะไรเยอะไปวัดไปทำบุญไปวัดไปทำบุญเยหงกัชื่อคำวาไปวัดไปทำบุญ ถ้าไมปทำบุญก็ของไปยุ่งวัดก็ฝากต่อไปเพราว่าต่อไปทำบุญว่าเฉยเพราะไม่คนไม่รู้เท่านะนัะ่นต้องว่ภาษาหนึ่งหรเขาต้ อ, อ ง, งาปากเป็นทั้มหัวใจเป็นยักมือถือสาปากถือศีลฝาก็ว่าไปทำบุญทำบุญแต่มาวัดก็ไปแต่ยุ่งเห็นไหมล่ะนั่นฝากเป็นทั้งหัวใจเป็นยักจักไม่ยักมันเป็นยังไง เน้นอะไรก็มีทักษะได้อยากได้อยากกัดกินอยากัดเอายาผ้าเอาเลยแหละเราขาดอย่างเดียวขาดการทําบุญ้วยมีสมาธิไม่มีปัญญาตัวที่จะรอบรูปคือสมาธิปัญญานะเราเน้นหนักเืินการทําบุญพระสอนเน้นหนักเกอนธาตุของบุญคนก็จะไม่โง่เหมือนทุกวันนี้นะไม่โกดไม่โกงไม่หลอกไม่หวงไม่ปิ้นก็ไม่เอารับเอาเปรียกไม่อะไรกัน ก็อยู่ในศีลในธรรมมีเหตุมีความเกลีกลัวละอายต่อบาปต่อกรรมเกิดขึ้นในใจบาปกรรมเกิดขึ้นในใจนไม่เกิดที่ไห น, นเกิดอยู่ในหัวใจตัวใหญ่ๆก็บอกแล้วบาปเกิดใหญ่ออกจากบาปมันเป็นนรกสวรรค์ในออกนรกอยู่ในใจร่ลำรวยสวยงามถ้าพูดไปมากเป็นเปนหสือก็จไปตกเป็ น, น, เ, ปนปรรเรื่องของกิเลสนะ เูแเรื่องของเจถ้ายศ์เข้ามาก็มีใจถ้าเห็นใจก็เห็นในชีวิตเห็นบาปเห็นบุญเห็นอะไรเห็นหมดนี่เราขาดการดูใจเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปเป็นบุญอะสิทำแ่เรื่องจุนจไปวัดไปบป ท, ทำบุญนั่นเห็นหม่โดยพี่ีงานใหญ่ๆตัวตัวเอ้าเตรียมของไปทำบุญสร้างโรงทานทำบุญ หลวงปู่สร้างโรงทานทรรบาปเวลางานใหญ่เอาคนนั่นหลวงปู่ฉันจองโรงทานหปู่ฉันจองโรงทานง า, งานตกครูบาอาจารย์ทำไม่ไดหลวง ป, ปู่ไม่มีห้องน้าบางทีก็ทะเละกันแต่คนมาไกลหลวงปู่ที่ฉันไม่ได้สั่งสถานที่ท่านโรงทานเห็นมาบ้างคือหลายห้องไปอยู่ได้ไหมวางได้ไหม ได้ไม่มีคนอยู่เวลาคนอยู่มาก็บอกหมเดียวสองมวอคไหนคนมายูของคนนมาดิบักผเจามาือวมาจูู่ตัวนะทะลาะกันนะใช่มล่ะงทบุญก็ต้งทำบาตนนเจ้ากสงก็อาจารย์มาแสดงธรรมก็ไม่สนใจะ ปัญญาไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปชุดสาวไปนีเรืเ่องอะไรก็ไม่สนใจวนอยู่กับโลภทานนั่นนะยิ่งป้งมยิ่งเก่งว่ลอกิเลสปัญาใสฟ้าขาวขอ้าไปถือด้วยถือจันทร์วนอยู่โงภทานนั่นโทานสมบั ต, ตัจมาิะทำทานินแนะ สู้อำนาจของปยมานไม่ได้นะมันพาความหิวกลยเป็นความโลภไปทางที่ไม่ดีถ้าไม่มีเธอเลยเป็นยังไงอ่ะมันเบานะผู้ถือศีลก็จะเหลียดยสุดไม่มีความโลภไปอยากไปหิวหรือถ้าผู้ที่อดร้นทนได้จริงๆก็แต่เกิดความอยากในใจดีกว่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยอดอาหารตอนเย็น กินอะไรก็หืมซื้ อ, อ, อกลัไปก็น้าเราวะนแต่มันไปคิดบาททางใจอย่างนีะเพราะมันได้ยินเสียงมันได้กินแล้วอย่างร้องรำทำเพลงอย่างนี้แหละทำให้ผู้มีธรรมท า, านสิน้แล้วไม่ไปฟังเขาร่องรำทำเพลงดิสีตีเก่าในข้อสิส่งรัติีตวาติตาวิสูกรัตตนาเมรมณนีย ไปไปฟังเขาลอกล้ำธรรมะเสีงดีสีตีเป่าและตนเองก็ไปลอกล้ำธรรมะเพลงดีสีตีเป่าเลย <c oughs> นะปู่จึงว่าไม่ใช่พระลงทานทำบุลงทานท า, ท า, นทาบาปเ <c oughs> หนียวอะไรก็ทานมาต้าแ่ทานมาจากป้านให้ม่อิ่มจะกว่าก็าได้ึงไปวัด ยุ่งทำไมเค่องั้งหมของหมู่บ้านเคื่อใกล้ก็ไม่ทําอาหารแล้วแต่อ า, อาหารลงทานก็ได้มาจิ้เย็นเอาเย็นวันนี้ไปเอารับโอลงทานนึ่เรามาจะใส่เลไปเทเอาเทเเทกลับบ้านกัน <c oughs> ทําให้คนใจบากทําไม่มีเสียเลยมันดีอดใจได้เป็นพักบอกเราสิไม่ไปปฏิบัติธร เราไปทําบุญก็ให้มันเป็นบุญที่เอาของไปให้เกิดที่เล็กก็เป็นบาตเดิทั้งเปคนทําบาตร <c oughs> บางทีเด็กๆไปล่อล่อมให้มีนะไปบอกไปเรียอะไรว <c oughs> <c oughs> ่าพระเจ้าพระสงฆ์วัดครูบาอาจารย์จะมีกันใหญ่เดอ้อช่วยกันเข้าลงทั่วลงทานเพื่อจะทำลงทานนะลงข้าวหวานอาหารแห้งต่างๆมานาของแห้งของอะไร เอาอะไรสกุลไปผนไปเด็กก็ไปเห็นคนร่องให้กินเลยยังไม่ถึงพระบางทีาคนหมดไปแล้วมันเราจะนั่งดาาให้เข้าใจื่าทำบุญ น, นะบุญคือของเบาให้อดออกไปวัดเพราะวัดมีสถานที่รักษากายรักษาวาจารักษาใจพระอุปกรณ์เครื่องต่างๆม า, าทำอยู่ตรงนั้นกระุุง นั่นแหะคนเราชอบอยุ่งฟังเอาาไม่คิดละเอียดไม่ทําจริงๆก็ไม่รู้เรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าได้จัดทะรู้แล้วพระพุทธเจ้าว่าอะไรทำที่เรารสาสมได้จัดทะรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ไม่ใช่คนธรรมดานะแต่ปฏิบัติตามธรรมคำต่างๆของพระพุทธเจ้าได้เนือเนื้อนะโลก ในหนังสือตมาคนเหนือโลก ค, คืออะไรเราจริงกายว่าจาใจาข้อวัดเวลาข้าวัดต้องทําทั้งคนเหมือจับคนอยู่ที่บ้านพูดได้ถึงห้ามบบาาไว้บัญญัติไว้หมดศีลศีลศีลจึงไปรับถือที่วัดไปสัตว์พาสมาทานศีลที่วัดไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่วัดมันก็ไม่ใช่บ้านเนี่ยมันไม่มีเครื่องด้วยทุกวนวนันผิดกวรใจให้วุ่นวายเร็ว แนะนำว่าวัดวัดตายวัดวาจาวัดใจวัดตายได้กลาวไปไหว้วัดวาจาคําพูดคำจาควรอยู่ในกรอบของผู้มีศีลธรรมวัดใจอือ่ในกรอบของผู้มีศีลธรรมผู้มีศีลธรรมอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคํำพูดทีนี้ในวัดมีพวกมาเยอะนะบางคนมาแสวงหาศีลธรรมทีลหรเราแสว้งไหม เอาความเคยกินแบบต่างโลกเข้ามาวัดมันก็ทำลายหมูว่วกาะแล้วไม่ช่วยกันรักษาแต่ทำลายวัฒนธรรมทางวัดวัฒนธรรมทางพระพุทธศสาสนาเดี๋ยวจะมีกระทรวงขึ้นมาเรียอเงี้ยประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสำนักพุทธกระทรวงอะไรแต่ละประเภทแต่ละระคนไม่ใช่น้อยๆงบประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ละเดือนแต่ละเดือนค่าใช้ใจ่าย ทีไถามหนูทางานอะไรหนูอยู่ในวัฒนธรรมทางวัฒการจดให้มีวัฒนธรรมประจำหมู่บ้านรู้จักสิทธิ์ควสิไปวัฒนธรรมไม่รู้จักนานไหถึงของประสงค์ถึงความสแปลว่าอะไรล่ะแต่วัฒนธรรมเราพงที่วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาต้องแรลงและก็รักษาเอาไว้อย่านา พิธีกรรมแบบโปรกโลกเข้าไปวัดนั่นแหละจริงว่าช่วยกันรักษาวัฒนธรรมเขาไทยเขาพุทธพิธีทางพระพุทธศาสนาอยู่ในกรอบของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถ้า ท, าทําถุงสีถุงผ้ไปผลทุกข์จะทําไปแล้วเพราะคนเรามันขวมมักง่ายเหมัอนดียถ้าสิ่งที่ไหนง่ายจับเอาแกะเอาแกบเอาถ้าสิ่งที่ยากยากไม่เอาไม่ไป ไปล้วก็ไม่สนใจเรื่องผิดจะเปบังคับปิดใจสิ่ น, นะเลยทำตามใจชอบทำตามความชอบใจความถูกใจไม่ขัดเอาไว้ไม่ขวงเอาไว้ต้องยึดเอาไว้วัฒนธรรม ท, ทิ่ทีกรรมทางพระพุทธศาสนาต้องรักษาเอาไวไ้ไม่จะไม่จะทำลายไปหมดเดี๋ยวห้ามแล้วทำไมทุกวันห้ามแล้วภ า, ายในวัด การงา น, นใหญ่ๆไปให้มีมหอระศพคบงานบวชพระบวชเนีใ่ให้มีมหอระศพค บ, บ, บ, บงานที่เป็นเรื่องเป็นลาศละบวบแยงกันเพราะไปบวชลูกห ล, ลานมีมหอระศพคบงานข่ากันตีกันลูกหลานจะได้สอบโดยเฉพาะทุกวันนก็มีโรงเรียนวัดก็มีนะเอาที่ดิของวัดสร้างเป็นโรงเรียนมาอาจารย์บอกว่าลูกหลานจะมาศึดจะมาเรียนจะมาสอบอยู่ขอให้ เบาๆน้อยมหาอแล้วศกพกมันพว ก, กมหาหล้ศกพวกมันจะเล่นกนระทึกขึ้นโคม ก, กินเหล้ า, ากินาอะไรอไดมาไม่ฟังจามหาหอล้ศกพวกมันจะไม่ใช่งานศกงานผีจะให้มันเงียบมาสงบได้ยังไงต้องให้กระทึกคือกโให้มันสนั่นวันไหวไป น, น, น่เป็นไหมละ่ะเรือเป็นประเภณนี้ไปหมดเถ อ, อะฮะ โรงแรมพวกนันกันแหละจะบวชถ้าไม่มีหม้อรสมะงงานไม่มีกองมม่มีแต่ไม่บวชนะเอาตามใจชอบไม่เอาประเด็ีทางพระพุทธศาสนามาบวชบนใต้มันก็เป็นบาปตั้งแต่เข้าไปใหม่ๆแทนที่จะไปช่วยกันรักษาวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเลอไปช่วยกันทําลายหลักทางพระพุทธศาสนา เห้เนนักภาปฏิบัติไม่ยากเน้นหนักภาคําบุญของเบาขเบาขเาว่าทําเบาเห็นไหมสวดมนต์ได้พรีนิดหน่อยแต่ไปสวดมากแล้วให้นั่งมากวันนี้เรากาหนดทันสิบนาทีก็สวดสักสิบห้านาทีเหลืออีกสิบห้านาทีเอาไว้นั่งรู้ลมเข้าลมออกถ้าได้สวดแล้วก็ขี้เกียนั่งฉันสวดมนต์เถอะแล้วน่นเห็นมไหมล่ะใจเหนื่อย น si de ั la la ่งไม่ได้ฉันนั่งไม่ได้เห็นไหมตั้งที่ดูล้มเฉยๆนะไม่อยากตั้งนะใสวดในสวดมลข้ามคืนข้ามวันประเทศของเราไม่ยอมไปสีหบัญชรครบอายุสวดพิธีพิโสร้อยรอบพันรอบกว่าๆไปสวดเงาท้าเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกี่รอบกี่รอบกว่าๆไปสวดสวดเงินล้านกี่รอบกว่ช่างที่ทําไม่หาอยู่ได้ไหละ สวดเทใสเงินจะเข้ามาไหมไหมนี่จะสวดเทใสเมื่อผลที่ผ่านจะกสวดได้แต่ไม่ดูไม่เห็นไม่ลูกนั่นดูอะไรดูสวรรค์สวรรค์ในอกในโลกในใจโดยเฉพาะเรานั่งสมาธิทานศีลสวรรค์ทานศีลบุญทานศีลภาวนาแปลความได้หลายอยา่างนะถ้าพูดแล้วก็แปลว่าทานศีลใจดูใจถ้าเห็นใจก็เห็นบุญ ถ้าเห็นบุญก็เห็นสวรรค์สวรรค์นในอกนรกในใจแป้เข้าไปถ้ามันยุ่งวัดไม่พาทำเราเราอยู่ที่บ้านกราทาได้ด้วจัดพิธีแล้ว <c oughs> ไม่มีใครมากอะกวนโดยเะพาะอยู่ตามประเทศนี่นยิ่งเงียบแั้ <c oughs> <c oughs> มีเด็กแว้นไปกาะกวนเหมือนืองไทยถนนุนทางเฉ็ี่ยของขวางไป ป, ปิดทางรถแข่งกันแล้ลูกหลานแอ้นี่ จับลูกหลานพร้อมจับผู้ปกครองด้วยจะเตือนเราข้างหนึ่งสองข้างไม่พอจับผู้ปกครองด้วยปักไหม <c oughs> ไม่เอาอย่างงั้นไม่อยู่แล้วมันสะดวกมันน่าละอายเมืองเมืองพุดเมืองพุทเมืองไทยเมืองพุทมาอยู่อย่างนี้มีวัดมีบาปีพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์มาด้วยเป็นกําลังกิตกําลังใจแล้วก็เน้นหนักภาคปฏิบัติเอาไว้พระเจ้าประสงค์จะเน้นห น, นักปฏิปทาของพระพุทธเจ้า เรามาทำบุญเน้นหนะักให้ทำบุญให้สอนให้ทำบุญปฏิบัติบูชาอย่าให้มีอมิตร์บูชาทำอะไรคำหนึงถึงความได้อย่าคำหนึงถึงความเสียได้คิดบ้างไหมฮะมันเสียประเภณนี้ของพระเจ้าตรวจน้ำกต่เสียประเภณนี้จุดทุกข์จุเทียนกต่เสียประเภณนี้ทำไมไม่ตรวจตัวที่ใหญ่เวลาทำบาปไม่เห็นตรวจน้ำไม่เห็นจุดทุกข์ุเทียนทำไมได้บาปเราก็าถามก็ไปงที่ ได้ตรงไหนสินี่จะเป็นเสียประเสียประบาทของพระพุทธเจ้นานะปนรูปร้านก็ทำตามทำอะไรที่น้อยเตืวหน้าเตือนน้ำลองไปทำบาปมา ก, ก็ได้ตรวจหมดสระก็ได้บาปเหมือนเดิมต้องขอให้ทำกลุ่มนำกลมดีนั่นสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมนองของคำนั่นถ้าทำไปเสียตั้งน้ำเสียตั้งประเพณีวัฒนธรรมคนอื่นกาไปทำตาม มุชาดอกไม้คนอื่นเราไปทำตามการก็ไม่ถูกพระพุทธเจ้าถูกดอกไม้อยู่นั้นแหละแต่มาก็องไปเตรียมดอกไม้ทุกเทียนอยู่นั่นเห็นไหมวะนั่นละพวกกว่ามองตาพวกว่าววกวานศิรษาคำท้าที่เพียงดูจุดนี้เราจะเสียชีวิตเตรียมตัวก่อนตายเราจะเดินทางเราต้องเตรียมตัวถ้ามีของยุ่งถ้าม่มีของลงเครื่องบินเราไปเลย นี่คือไปเตียตัวไปพนิพานทำไงจือแเรามีแต่ของนม่นาองนี่ของนูง่นาอนีออนออนอ่ไหนล่ะให้หาความีออกจากใจเข้าใจไหมใบของพระเจ้ามีนะยังอยู่นะั้นพระผลนิพานไม่ใช่พู้เจ้าเอาไปด้วยนะพระพุท<ม>ธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในใจของพวกเธอทุกท่านทุ ก, กลูกเราแต่ทากพไม่ได้ไปไหนอยู่ในใจของท่านทุ ก, ท, กทุกท่า น, ท, ท, านทุกเธอ ทุกท่านทุกลูกทุกผู้ทุกคนเอามาแปลออกมาอีกพุทธเถ่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ใจของเราคือผู้รู้ทาให้รูบบร้บารู้บุญรู้กามิทูรู้แก้กโลกเรารูกมเ ร, รู้แก้กโลกไหความว่าโลกที่เราอยู่มันเป็นยังไงมันชบกระปงนะนั <c oughs> น่นเรากระโปกจิตใจ ก็ใหญ่ๆทาให้สกโปกหลอกักโลนั่นเป็นอนหนก็อยากจะคมโลกไม่ใช่หรือก็อยากด้วยนั่นแหะตอนไม่ใจคนโสกโปกเหรอเห็ก็เขาไม่มีข่าเขาได้เห็นเขามีข่าเขาเอาได้ไม่มีก็อยังพ่นธนาคารไปงัดอะไรเงี้ยธนาคารตู้ทองตู้อะไรมีเจ้าหน้าที่ถือปืนสิไม่ยังบังคับให้ขี้เหร่ทาบา ต้นถุงความผิดไหมถ้าเกลดหนาเข้าไปเพราะฉะนั้นในฐานะเราจะมีชีวิตอยู่ยนั่นเตรียมตัวเรามาด้วยบุญเราอยู่ด้วยบุญแล้วก็กลับบา้านป้าเต่าด้วยบุญทุกที่สุดคือหาที่เกิดนะนะถ้าเราได้ทําบุญเราไม่ต้องทุกข์แล้วไม่ต้องเกิดแล้วเป็นคู่เป็นคนไม่ต้องเกิดแล้วกับลูกกับหลานนะ <c oughs> เดวโลกพมโลภมุสตโลกเทวโลกพมโลภก็สูป่ปิพานกันนึ่งแล้วมาเกิดทําไมมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนาการเกิดไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีถ้าไม่มีพระถุงอยู่แวลเพื่ออะไรท่าอยู่ทาไมหนีจากความกลัวจากความสุขแวกโลกียะหนีมาทนทุกข์ทรมานอยู่นะั่นเรื่องอยู่ของท่านก็คือนั่นเอามากก็ผลสวรรค์นิพานอยู่ในหัวใจเร่นี่ มีน้อยมากแค่ไหนปัจจิตังรู้จำเพราะตนนะนั่นแหละคำของท่าเจ้าบอกเรามาวัดก็เหมือนกันรู้อยู่ว่าเรามาทําอะไรนะถ้าผู้มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญากับพูดเสแสรดไปว่าทําบุญไปว่าทําบุญโกหกตนเองโกหกคนอื่นคนะวามลับไม่มีในโลกเข้าใจไหมถ้าไปทําบุญบอกไปทําบุญต้องทําบุญ ไม่งั้นก็โกหกตนเองหรกเไปโกหกคนอื่นเป็นบาปอยู่นั่นแหละศีลไม่บริสุทธิ์ก็ทำสมาธิไม่เกิดทำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดเห็นไหมล่ะบอกต้นย่าจงลูกหลานจำแล้วจาอีกนะวันหนึ่งต้องทำให้ได้หนึ่งนาทีก่อนนอนสวแช่ น, นั่นอินนาสกตารพุทธังตมังสังกังอิปุริยามะทังสวัสโตสุ ป, ปิปโนนโมนั่งูลมเข้าลมออก นั่นแหะอาหารใจนั่นแหละที่จะเราจะควรจะทําและจะได้ไปด้วยเวลาเราเสียชีวิตเพราะเราทําอยู่ทุกวันเราดูอยู่ทุกวันเราก็เห็นทุกวันเราก็ถือไปทุกวันถ้าไม่เคยดูจะรู้เห็นได้ยังไงเรทําในเวทขอไปถามว่าไงตาใจใจรุ่นใจนี่ได้คอใจขอตาคอตาคอตั้งอกตั้งใจว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์พบกุศลศาสนาตั้งใจว่าจะไปทําตามคําสอนของพระเจ้าตั้งใจว่าจะไปดูบุญดูสวรรค์ดูผลิพานเคยดูไหมเคยเห็นไหม ถามไปตะวันไปทางไหนเอาไรตอบเขาเอาถามลงไปไ<อ>ถ้าไอ้ตอบเขาคุ้มมาจากไหนล่ะย้ายมาจากไหนตามาจากไห น, ม า, าไหนมาจากมังรนรกมันไม่มีร่างกายมันต้องพูดต้องไปตรงมานะใจตัวนี้มันโกหกไปได้นะเจ้า ก, การรมนายเวรของลูกจกหมดอ่ะเคยดูไม่เคยดูคดดนตกมาจากนารกกลับไปมังกรนรก ไปมาที่นี่ไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วยิ่งไม่มีหลักพระพุทธศาสนาตกมือแห้งเป็นแห้งตกมือกาเป็นกาค่ากันกินกันตัดกันกิน้มเหมือนศัตาเราชินไปแล้วไปนั่นน่นนั่นแหะทุกที่สุดคือหาที่เกิดจะไปเกิดก็พูก่าหลานก็เกิดไม่ได้ไม่มีศีลธรรมเขาไม่ให้เกิดด้วยและก็เขาขี้เกียจ ด, ด้วยทุกวันหนึ่ขี้เกียจเลี้ยงลูกหลายคนให้เกิดสองคนถ้าได้สองคนเราก็เพี้ยงไ ของควแม่เด็กเกิดใจไปนะเด็มีศีลมีธรรมบอเกิดตัวหมวมดอกหู่คนเรื่องของคนบอเกิดรอกเห็นไหมล่ะเรื่องของใจมันพูดได้ได้มันท่าได้นะใจมีศีลถิมีธรรมนั่นแหะความรับมันมีในโลกให้พยายามแน่นหนาภาปฏิบัติอย่างอื่นไม่ดีใจด้วยนะดีใจท่าปฏิบัติ ดีใจพลากทำบุญพาดดูบุญเพราะชีวิตของเรามันน้อยเราหมดไปเท่าไหร่แล้ววันเวลาหมดไปหมดไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ให้ถามตนเองอยู่เสมอไม่ใช่พวกนี้ฉันจะรวยพวกนี้ฉันทำงานจะรวยรวยรวยโลกียะสุกนั่นหนึ่งเหมือนรวยสินรวยทำคนจะรวยคือรวยสินรวยทาำ นะไม่ใช่รวยเพราะบ้านใหญ่บ้านโตดิ <c oughs> ดีที่ใจงามที่ใจใช่ไปหน้าคนจะรวยรวยสินรวยฐานไม่ใช่รวยบ้านใหญ่บ้านโตของโลกของลูกของหลานก็ไม่ใช่อีกไม่นานลูกหลานเฒ่าแกทิ้งไปคนอื่นของโลกก็กอยู่ในโลกถ้าสินทานอ่ะได้ไปด้วยถ้าพุ่นอ่ะได้ไปด้วยพระใจมันตายไม่เป็น หลังฐานร่างายเกิดแล้วแก่จิตตายเกิดแล้วแก่จิตตายฟังดูนนะผลอยู่ในหีเป็นยังไงบ่อยู่ไหนพวกเก็บพวกปวดอยู่ไหนตัวกูอยู่ไห น, ไ, หนไปแล้วลมไม่มีท่าลูกก็ไปแล้วไปถามบาบุญที่ตัวเองทาเตรียมตัวเอาไว้ถ้าเตรียมบุญไว้ก็ไปสูอบุญบุญพาใจไปได้ถ้าไม่มีบุญบาปก็พาใจได้ไปไปถามต่างพาไปทางสูงไม่ได้ ตามมันติดตามตนเห็ไปได้ทุกหนทุกแห่งมุนาวัตติโลโกสัตโตเป็นไปตามกรํากรรพาใจไปมู้จะกรรมไหมกรรมภาษาบาลของเราถือเรากรรมนะนั่ก็กําไปกรรมไปถ้ากรรมพูนไปก็เบาถ้าตําสิ่งกับของหนักโอ้เสียนักนัาเนี่ยเนี่ยหนักไม่มีอะไรมากนะ หานะกคนมีอยากใจนี่แคนั้นชิดดูให้ละเอียดนะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พุทธเจ้าเป็นตัสรูรใครบอกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัตตุรุทำที่พรุทธเจ้าไป็ตตัตรูรวันสุดท้ายวันที่พระพุทธเจ้าไป็นตัสตุรุแต่ตาที่ผ่นานๆมานะอัศจรรย์ยิ่งกว่าที่ผ่นานๆมานะ่ะที่เคยรู้เคยเห็นผ่นานมายังไม่สว่างจัดใจนะจังข้องใจอยู่ ครา้งนี้ครั้งสุดท้ายเราที่ว่าจะรู้เรานั่นแหละคำพูดเจ้าบอกว่าปัจจตังรู้จำเพราะตนผู้ดูเห็นเองรู้เองว่าหมดเจลีดเป็นยังไงเพราะฉะนั้นให้พยายามจังอยู่มักผลนิพพานจังอยู่มีอยู่นะ <c oughs> เรื่องหน้าทุกตัวตนตัวตนในดวงมือบัตะสีสี่นองในเกศตลาดมังกรไฟฟ้า คำว่าทาคําส so ั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบุญกุศลบุญกุศลชนีบุญกุศลภูมิุญกพุทธเจ้าุญประจำบุประสงค์สิ่งกิจทัางหลายในสาคัญเราบนี้จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาอุดมด้วยจหลานดติพี่น้ององมีแต่คนสุกคนเจริญทุกกายทุกใจมาจากทุกโสภกลังงานจึงในเงินจึงในปราจนาุณน่อันใดจงสาเร็จจงสำเร็จโดยเฉพาในหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสิ้เห็นธรรม ในภพชาตินี้เธอ